นี่ก็เป็นยานที่พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดได้หมดนะครับทีนี้ต่อไปพูดถึงอาสาธารณะยานหกอธิยานที่เป็นอาสาธารณะหมายคำว่ามีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับในหกประการเนี่ยครับคืออินเดียปรโรปียติยานนะครั บ, รบยานที่กำหนดรู้ความหย่อนและความยิ่งของอินทรีย์ของศาสตร์ทั้งหลายยานทั้งหกนี้มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับยานที่สองก็คือ อาสยานุสยายานยานที่รู้อาสยาและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งยานที่เป็นยมกะปาติหานยานนะครับยานที่ทําย ม, มกปาติหานพระองค์ก็ทําได้แต่เพียงผู้เดียวหรือว่ามหากรุณาสมาบัติยานที่กว้างขวางแบบนี้ก็มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็สัพพัญยุตยานและอนาวรณายานยานเหล่านี้ก็มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะญานทั้งหประการนี้เรียกว่า อาสาธารณะญาณ น, นะครับในอาสาธารณะญาณหนั้นนะครับขึ้นอินเดียปรปริยติญาณก่อนนะครับมาเรียนญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าญาณเหล่านี้มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเวลาอ่านอัตถกาถาเจอที่ไหนว่าเอออาสาธารณะญาณจะได้นึกออกนะครับอย่างน้อยก็นึกออกโอ้ญาณทั้งหลายเหล่านี้นะอ๋อก็ยังดีนะครับว่าเป็นอะไรนะ ถ้าไปว่าอินเดียประโรปริยติยานคือยานที่กำหนดรู้ความหย่อนและความยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์นั่นนะนะคืออันหนึ่งอินเดียประโรปริยติยานของพระผู้มีพระภาคอันเป็นไปโดยอาการห้าสิบห้าสิบนะรู้โดยอาการห้าสิบนะครับอันเป็นเหตุประกาศความต่างกันโดยพิเศษแห่งความที่สัตว์มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อย และความที่สัตว์มีกิเลสดุธุลีในดวงตา ม, มากนะครับบอกว่ากิเลสมากกิเลสน้อยเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับอย่างถึงหมดนะ่ยสมจริงดังที่ภาษารีบ่บทกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักนะครับในอินทรียปรโอปริยัติถานะครับว่าอินเดียปรโอปริยัติยานของพระฒถาคตเป็นไงนะคือยานในอินเดียปรโอปริยัตยานนี้พัตถาคตย่อมเห็นสัตว์ทั้งหลายคือเห็นว่า ผู้มีกิเลสดุจทุรีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสดุดทุรีมากในปัญญาจักสุนะครับคือมกิเลสมากกิเลสน้อยในใจอ่ะนะคืออัปรชักเขกับมหารชักเขกนะครับปัญญากิเลสมากกิเลสน้อยในดวงใจอ่ะนะเนี่ต่อไปว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าหรือเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนนะครับ ติขิญทรีเยมุนินทรีเยนะครับอินทรียแก่กล้าอินทรียอ่อนแล้วก็หรือว่ามีอาการดีมีอาการชัาาร่วสวากาเรและก็ทวากาเรนะครับดีหรือชั่วนี้ก็รู้นะครับหรือว่าพึงให้รู้แจ้งได้โดยง่ายมาสอนง่ายหรือสอนายากนะพึงให้รู้แจ้งได้ง่ายหรือพึงให้รู้แจ้งโดยยากเนี่ยนะสุวิญญาเปเยหรือว่าทุวิญยาเปเยสอนง่ายหรือสอนยากบอกง่ายหรือบอกยากเนี่ยนะครับของเหล่ า, านี้ถ้าพระองค์ดูเนี้บอกเอ้เพิ่งคนบอกง่ายหรือบอกยากครับ ต่อไปนะครับบางพวกมีปกติเห็นปรโลกปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบางพวกมิได้เห็นปารโลกและโทษโดยความเป็นภัยนะครับ อ, อับเปกเจปรโลกะวัชะพยาทสาวิโนนะครับคือพวกที่เห็นมีปกติเห็นปารโลกและโทษโดยความเป็นภัยนะครับบางพวกบบก็อเปกเจนะประโลกะวัชะพยา ถ้าสาวิโนนะครับโอยไม่ได้เห็นว่าประโลกมันมีโทษอะไรเลยชาติหน้าช่างหัวมันบาปทั้งหลายก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็ไม่เห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภัยนะครับทั้งหมดนี้ก็พวกกล่าวถึงอินรดียปรปยปยติยานของของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งมี1ิบข้อใช่ไหมครับ1ิบข้อไปคูณอินซีห้าก็จะเท่ากับ5้าสิบนะครับ คือผู้มีกิเลสดุดทุรีน้อยในปัญญาจากสุเน้นับหนึ่งนะครับคูณอินทรีห้าก็เป็น5มีกิเลสดุดทุรีมากในปัญญาจากสุอันนี้ก็อีกหนึ่งข้อข้อที่2นะข้อ3ก็คือมีอินทรีแก่กล้าข้อ4มีอินทรีอ่อนข้อ5มีอาการดีข้อ6มีอาการชั่วข้อเจ็ดนะครับพึงให้รู้แจ้งได้โดยง่ายข้อ8เพึงให้รู้แจ้งได้โดยยากข้อ9ก็คือพวกมีปกติเห็นปะโรกและโทษโดยความเป็นภัยข้อ10ก็ พวกที่ไม่ได้เห็นปาราโลกและโทษโดยความเป็นภัยก็ไปคูณกับอินรีย์5นะครับก็จะเป็นอาการ50นะครับที่บอกว่าอินรีย์5นะครับเพราะว่าอินเดียปรโรปยัติยานก็คือยานที่ยังรู้ความหย่อนและความยิ่งของอินทรีย์ของสารทั้งหลายซึ่งจะได้ขยายเป็นลําดับไปว่าคําว่ามีกิเลส ท, ทุลีนะครับกิเลสดุจทุรีเนี่ยนะน้อยในปัญญาจากักษุมีกิเลสดุจทุรีมากในปัญญาจากักษุ ถามว่าเป็นอย่างไรคืออธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นคนมีกิเลสดุจทุรีน้อยในปัญญาจักสุนะครับถ้ามีศรัทธานะถ้าหากว่าคนไม่มีศรัทธาก็เป็นคนมีกิเลสดุจทุรีมากในปัญญาจักสุนะครับก็แล้วแต่ว่าถ้ามีศรัทธาก็กิเลสน้อยอะนะถ้าไม่มีศรัทธาแสดงว่ากิเลสมาก ถ้าหาว่าผู้ปราบความเพียรก็เป็นคนมีกิเลสดุจทุลีน้อยในปัญญาจากสุขนะถ้าคนเกลียดครั้งก็แสดงว่าเป็นคนมีกิเลสดุจทุลีมากในปัญญาจากสุขนะครับบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นก็เป็นคนมีกิเลสนะนะดุจทุลีนะครับน้อยในปัญญาจากสุขถ้าคนเป็นผู้มีสติหลงลืมก็เป็นคนมีกิเลสดุจทุลีมากในปัญญาจากสุขนะครับ คนผู้มีจิตตั้งมั่นก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจากสุนะครับคนผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจากสุถ้าหาว่าเป็นคนมีปัญญาก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจากสุถ้าหาว่าคนมีปัญญาสามโง่เขาก็เป็นคนมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจากสุกิเลสมากกิเลสน้อยเนี่ยะถ้าคนผู้มีศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญานี่ชื่อว่าคนมีกิเลสน้อย ถ้าหาว่าคนที่ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกนี้เรียกคนกิเลสมากนะครับพวกที่มีอินทรีย์อ่อนกับอินทรีย์แก่กล้าครับบอกว่าพวกพวกมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญานะเป็นพวกมีอินทรีย์แก่กล้าพวกที่ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกนี้เป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนนะครับ อ่าพวกที่มีอาการดีอาการชั่วล่ะครับพวกไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี่พวกนี้อาการชั่วพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่นะครับชื่อว่าเป็นคนมีอาการดีอาการดีอาการชั่วก็เอาศรัทธาเป็นต้นมาเป็นเครื่องวัดนะครับถ้าของเราอาการดีหรืออาการชั่วนะครับเช็คดูนี่ใช้ประหอดวัดด้วยหรือเปล่านะครับอาการดีหรืออาการชั่วอาการหนักนะ มัะถ้าอาการดีก็คือมีศรัทธาเป็นต้นนั่นเองนะครับอาการชั่วก็ไม่มีศรัทธานั่นแหละต่อไปนะสอนง่ายหรือสอนยากเนี่ยนะครับคือให้รู้แจ้งให้ยากหรือง่ายก็ดูว่าถ้ามีศรัทธาวิริยสะสติสมาธิและปัญญาก็สอนง่ายนะครับถ้าหากว่าเป็นคนไม่มีศรัทธาวิริยสะสติสมาธิและปัญญานี่สอนยากนะครับสอนง่ายสอนยากก็เอาดูตามนี้เอานะครับ มันจะรับลูกศิษย์ต่อไปก็เอาใครควรเอานะว่าเฮ้ดูสิอาการดีสอนง่ายหรือสอนอยากเอาศรัทธาเป็นต้นมาวัดถ้ามีศรัทธาเป็นต้นก็แสดงว่าพอคุยกันได้นะครับถ้าไม่มีศรัทธาเป็นต้นก็นะครับหาที่หลีกเล่นเถอะครับอยู่คนเดียวยังจะประเสริฐกว่าเพราะงั้นว่าเข้ามาขอบวชเพื่ออดยาเจ็บติดอย่างนี้ก็ไม่ต้องส่งไปหาผมนะครับ <laughs> ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็ พิจารณาเอากันแล้วกันนะครับแต่ไม่ต้องคิดถึงผมเลยนะครับคิดถึงอาจารย์มหาอะไรก็คิดไปเลยครับต่อไปนะครับว่าบางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบางพวกก็ม่ได้เห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภั ย, กก ย, ค, ภยคือหมายความว่าพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา呐นะ พวกที่มีอินทรีย์5้าเนี่ยนะครับพวกนี้จะเป็นคนมีปกติเห็นปรโลกคือเห็นโลกอื่นและเห็นโทษคือบาปทั้งหลายเนี่ยเป็นภัยแต่หากว่าพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะพวกนี้แสดงว่าไม่เห็นปรโลกเหมือนกันเถอะเห็นโลงศพก็เฉยๆยไม่หลังน้าตาอะไรนะครับหรือว่าเห็นคนทําชั่วก็เฉยเสนุกดีออกอย่างนงี้นเป็นต้นนะพวกนี้แสดงว่าขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับ ทีนี้พวกที่เห็นปรโลกเนี่ยคำว่าปรโลกนี่คืออะไรครับขยายศัพท์ว่าโลกก่อนโลกก็เช่นขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกนะครับโลกคือพบวิบัติโลกคือสมภพวิบัตินะครับหมายถึงว่าอบายโลกหรือว่ากรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในอบายโลกนะครับหรือว่าสมภพภพสมบัติหรือว่าสมภพสมบัติเนี่ยนะหมายถึงสุขติโลกหรือว่ากรรมที่เป็นเหตุให้เกิดใน สุขติโลกนะครับหรือว่าถ้าเป็นโลกหนึ่งก็สัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองน้ำโลบโลกสามเวทนาสามโลกสี <incorporate voters> ่ Mix อาหาร long, สี่โลกห้าอุปาทานขันห้าโลกหกก็อายตนะภายในหกโลกเจ็ดก็ได้แก่วิญญาณทิติเจ็ดโลกแปดได้แก่โลกธรรมแปดโลกเก้าก็คือสตตาวาฏเก้าโลกสิบอายตนะสิบโลกสิบสองอายตนะสิบสองโลกสิบแปดก็คือธาตุสิบแปดนะครับเออขอถามเพิ่มนิดหนึงครับตรงที่ว่า ยตนะสิกับยตนะสิสองมันยตนะเหมือนกันทำไมไม่เหมือ น, นครับอ๋อคือเนื่องจากมานายตนะกับธรรมายตนะเป็นโล ก, กุตระด้วยก็เลยไม่เอามากล่าวนะครับนะเพราะว่าอมความถึงโล ก, กุตระเพราะฉะนั้นคําว่าโลกนีไ้ไม่ไม่รวมถึงโล ก, กุตระนะคำว่าโลกทั่วทไปเนี่ยนะเพรา ะ, ะโลกสิบสอก็เอาเฉพาะบางส่วนมาแต่ว่าที่ว่าทําไมข้อสิบนะทำไมจึงเรียงเรียงสิบเนี่ยนะเพราะว่าธรรมายตนะกับมานายตนะนี้อมความถึงโล ก, กุตระด้วย นี้พวกนี้เห็นปาโลกโดยความเป็นภัยไหมถ้าพวกมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะจะเห็นว่าโลกเหล่านี้เป็นภัยถ้าพวกไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะโอ้โหดีออกมุวนขนาดไหนงันสนุกสนานที่บอกว่าโทษถามว่าบางคนเนี่เห็นโทษว่าเป็นภัยนะโทษคืออะไรบ้างครับพวกที่เห็นโทษโทษคือกิเลสทั้งปวงนี่ก็เป็นโทษทุจริตทั้งปวงก็เป็นโทษนะครับกายแทุจริตเนี่ยนะ วิจิตรุจตมโนโทุจิตพวกนี้ก็เป็นโทษอภิสังขารคือเจตนากรรมนะอภิสังขารคือกรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่ากรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงเนี่ยเป็นโทษนะครับ ความสำคัญในโลกนี้และโทษนี้ว่าเป็นภัยอันแรงกล้าปรากฏแล้วด้วยอาการดังนี้เหมือนความสำคัญในศัตรูผู้เงือดาบเข้ามาจะฆ่าฉะนั้นคือบางพวกนี้เห็นทั้งโลกเห็นทั้งโทษเนี่ยนะว่ามันเป็นภัยจริงๆเหมือนคนจะเอาดาบมาฟันคอนะอพูดถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงพระมหากรส ป, ปะตอนที่ยังไม่บวชนะครับตอนที่เป็นปิพภรมานพกับนางพัตะกาปิลาณีนี่นะครับตอนที่ออกจากบ้านบวชนี่นะครับ มีความรู้สึกทั้งคู่เลยว่าเหมือนกับไฟไหม้บรรณกุตีนะครับไอ้ที่ออกบวชนี่อยู่ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเห็นบ้านเห็นเรือนเห็นภพสามเหมือนกับถูกไฟไหม้อยู่นะครับพานจะต้องออกสแสวงหาพระพระอาหานสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนธรรมะเป็นเครื่องดับทุกเหล่านี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคือคนที่มีอินทรีอินซียิ่งนะครับคือสัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาดีนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีก็โอ้โหม่วนนะรีบหาไฟมาดับเลยอยู่ต่อไปอีกนะครับ พระธรรคตย่อมทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบชัดแทงตลอดซึ่งอินทรี่ห้าประการนี้ด้วยอาการห้าสินี้นี้เป็นอินเดียประโพรยัตญาณของพระตถาคตนะครับนี้เป็นความสามารถพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ว่าอินทรีย์ของสัตว์นี่ยิ่งหรือย่อนนะถ้ายิ่งหรือย่อนเนี่ยนะถ้ายิ่งเนี่ยควรลดยังไงถ้าย่อนเนี่ยควรเติมยังไงถ้าสมัยนี้นะครับไอยิ่งไม่ค่อยมีแล้วครับมีแต่ย่อนนะครับ ชื่อว่าโทษคือกิเลสทั้งปวงดุจริตทั้งปวงทังอภิสังขารทั้งปวงกรรมมันเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่พบทั้งปวงแสดงว่าณทีนี้เนี่ยบนที่เป็นอภิสังขารมันก็ต้องเป็นโทษด้วยก็ <S <S บ <น S 2> อยู่ <ไง S 2> ในฝนะักฝ่ายแห่งสมุทัยนะครับเอางี้นะมนุษย์เนี่ยถามมาดีไหมเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับ ก็ดีครับเทียบอบายใช่ไหมอ่าเทียบอบายครับถ้าเป็นเอ็ดดีไหมมนุษย์ไม่เป็นเอ็ดมนุษย์มนุษย์ดีครับเอ็ดไม่ดีอ้าวถามว่าเอ็ดนี่มันกินกับใครครับมันเป็นกับใครก็เป็นกับมนุษย์ใช่ไหมมะเร็งนี่เป็นกับใครนะครับโรคภัยไข้เจ็บโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคเป็นต้นเนี่ยเกิดที่ใครก็เกิดที่มนุษย์ทั้งหลายเราเนี่นะเพราะฉะนั้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสภาพแบบนี้บุญที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์มาเป็นทุกข์แบบนี้ถามว่าดีไหมล่ะดีก็ดีกว่าอาบายเนี่ยใช่ละ นะครับแต่ถ้าว่าโดยความไม่จรังยั่งยืนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าเห็นเป็นโทษไหมถ้าเห็นเป็นโทษแสดงว่าอุปนิสัยวิวัตตะสูงมากทาไม่เห็นโดยความเป็นโทษก็โอโหต้องปลูกฝังอินทรีย์กันก่อนนะครับนะ นี่ก็เป็นอินเดียโปรปริายติยานที่มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนควรเสริมตรงไหนควรเพิ่มตรงไหนเพราะฉะนั้นพระสูตทั้งหลายแล้วเนี่ยครับโดยส่วนทั่วๆไปก็คือพระสูตที่ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันนั่นเองนะครับเช่นบางสูตส่งเสริมสัตตินทรีย์เช่นนะครับพระสูตรที่พันนาคุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นแสดงว่าเป็นพระสูตที่ส่งเสริมสัตตินทรีย์พระสูตที่กล่าวถึงโพษภัยทั้งหลายในอบายเป็นต้นก็สส่งเริม วิริยินรีนะครับพระสูตรที่พูดถึงนิมิตของสติเป็นต้นเนี่ยนะครับพระสูตรเหล่านั้นนั้นก็เน้นสตินสินทร์ซีนะพระสูตรที่กล่าวถึงฌานวิโมกสมาบัติสมาธิเป็นต้นก็เป็นส่งเสริมสมาธินทร์ซีนะครับพระสูตรที่กล่าวถึงขันธะอริยตนะเป็นต้นมากๆก็ส่งเสริมปัญญินทร์ซีนะครับนั่นจนกว่าอินทรีย์ทั้งห้าจะบริบูรณ์เป็นต้น น, น, นะครับจึงจะตรัสรู้มรรคผลได้นะครับ พันธสูทั้งหลายก็จะส่งเสริมอินซีนะครับมันตามความอินซีที่เรียกว่าอัธยาสาัยของสัตว์นะถ้าอินซียิ่งหรืออินซีย่อนเป็นต้ น, นหรือว่าจะต้องใช้คำประเภทไหนจึงจะส่งเสริมอินซีเขาได้เนี่ยพระองค์รู้นะครับ